Thank mm -hmm. you. ในการปฏิบัติธรรมก็พอจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมปัญหาปัญญาหรือต่างๆมันเกิดที่ใดมันไม่มีที่ใดพอจะรวบรวมมาพูดสวนฟั ง, งเพื่อการต่อ ย, ยอดให้กับผู้ปฏิบัติท่านเองการวิธีเรียนร่าเชื่อได้ดงการฟังธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติที่ยเขาหย่าไป หาคำตอบจากความคิดคิดอะไรเอามาถามผู้ว่าอาจารย์มันดัดจะไม่เป็นความจริงเสมอไปถ้าจะมีคําถามก็มันเกิดขึ้นแก่ตัวเองก่อนไม่ใช่ความคิดพราว่าอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราปฏิบัติธรรมทำยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังไม่ได้คําตอบก็อย่ารีบร้อนไปถามบางครั้ง เราปฏิบัติไปจเจริญสติไปมีสติเป็นตัวย่องยืนเป็นฐานไว้มันอาจจะได้คำตอบโดยต้องไม่ถามครูวาจารก็ได้มีเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเกิดกับตัวเองไม่รู้จะถามใครหลวงพ่อเทียนเข้าไปอยู่บางครั้งเราอยู่คนเดียวบางครั้งเราอยู่กับหมู่ก็เอาความเพียรหมู่เปิดไปก่อน นิสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไว้ก่อนเอาตัวรู้เฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทําไปวันสองวัยมันก็ได้คําตอบออกมาไม่ต้องถามครูวายจารย์เลยประสบการณ์หบดเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากคนอื่นถามคนอื่นถ้าถามคนอื่นแต่จะไม่ลงตัวเท่ากับเราพวกเห็นเข้ากับตัวเอง ปัญหาต่างๆมันก็มีตามอารมณ์กรรมฐานเหตุการต่างๆเกิดขึ้นเ ป, ป็นปิติเป็นนิมิตเป็นประสจทธิอะไรต่างๆมากมายบางคนก็เป็นนิมิตบางคนก็ไม่เป็น น, นิมิตบางทีเราได้ยินคนพูดอาการนิมิตเกิดขึ้นแจ่ตัวของเขาเองเราก็ไม่เป็นกับเขาก็าอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกันนิมิตไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกคน ป, ป, ปีติก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนปัจจก็ไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนก็เลื่องปัญญาเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านนิมิตะอะไรต่างๆรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปคล้องแวะอะไรอย่าเอ้ยเราไม่ทำไปไม่เป็นเหมือนท่านบางทีอยากให้เป็นบางทีไม่ต้องเราไปเลยมีสติสัมปชัญญะต่อไปต่อยอดไปเลยไม่ต้องมามองหน้ามองหลังอะไร วันไปไลยแล้วมีสติก็ไปด้แล้วเมื่อมเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้มากจนยั่งมายู่โดนจะคกรกอเดินแสดงธรรมนั่งร้างจวักก็แสดงไม่เด่นหลังไหลออกมาในญาณในปัญญาต่างๆถ้าเราไปเป็นผู้รู้ก็งหุ่มไปในใจในความรู้ที่เราเห็นเราพบเห็นนั้นถ้ามากเข้าไม่มีสติ เพิ่นไปกับความรู้นันก็กลายเป็นวิปจัจโนเสียเวลาไปบางทีก็บางคนก็อดไม่ได้ไปแสดงมันไม่ยิงอะ่ะความรู้ที่เป็นวิปจัจโนมันหมดเป็นเมื่อมันหมดเราตั้งตั้งต้นใหม่บางคนก็เสียใจเสียดายให้มันเป็นวิปสโนเฉยๆไม่ใช่เรื่องปัญญา มันเกิดจากเหตุผลต่างๆในการทําความเพียงของเรามันเกิดขึ้นบาทีก็ไม่มีความรู้อะไรเลยก็อย่าไปหาความรู้ที่มันเกิดจาก อ, าอะไรต่างๆมากมายเอาสติไปก่อนมีสติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปก่อนปราบมันไปก่อนปราบอันใดที่ไม่ใช่สตินั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาปราบไปก่อนเหมือนใบมีดของรถแท็กเตอร์ ที่มันป่านเตดไปบนผืนนินมันปราบไปก่อนมันไปค่อยเป็นทางไปจะตีปานไปตรงไหนมันก็เป็นทางไปตรงนั้นนี่คือการปฏิบัตินั้นมีอะไรล่ะอันที่มันต้องปราบมันคือความหลงนี่แหละเหตุผลของมันคือตัวหลงแต่ทไมจึงหลงล่ะถ้าจะถามว่าเพราะไม่มีความรู้ ทำไมยังไม่มีควมรู้หรอเพราะไม่ได้ประกอบขึ้นมาทําไมไม่ประกอบเพราะเพราะหาเวลาไม่ก็ไม่ก็อยู่ไปไมันก็อยู่กับตัวเราเวลามันหลงไปหาเวลาแต่ตรงนั้นก็ปลอมมันตรงนั้นเลยเพราะมันหลงกว่ารู้ทันทีใช่ไหมไม่ต้องทําไมทไมํามเพราะมันหลงกว่ารู้ทันที อ่ามันลูดเวลามันหลงไม่ประโยชน์พราะหลงก็ถูกปราบลงแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้งที่สามเหมือนรถแทกเตอร์ปราบทางขึ้นเขารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเก็กลายเป็นทางเรียบคนก็เดินได้รถสี่ล้อหกล้อก็วิ่งตามไ่ได้แต่ก่อนแทกเตอร์ตอนนั้นตนตะขาบตอนนั้นที่ผ่านไปได้มันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีหรอก มันหลงเรื่องหลงอีกเรื่องเก่ายังกมลหลงอีกเรื่องเก่ามอทุกอีกเอ๊ะมันเมือนตัวมันทําไมมันไม่ผ่านไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้หรือจะไปเอ๊ะใช่เรามีสติเรื่อยไปมีสติเรื่อยไปถ้าปราบตัวนี้ได้แล้วอันหนึ่งก็ค่อยสงบลงมากความคิดความลังเลสงสัยความวิตกความวุ่ความงงงหอนนอนความคิดผ่งองอน มาณาทิติกรรมราคะปฏิฆะเคยคินยังไงก็คอ่อยหลนอหายระ ว, วัดหายสติล้ ว, วันไม่สุขสนเหมือนเมื่อก่อนแต่ ก, ก็มันสุขสนมาก็ถึงปุ๊บสั่นดิเกิดกิเลสขึ้นมามาถึงปุบ๊บสันติเกิดความรักมาถึงปุบ๊บสั่นเดิเกิดความช่างพอใจไม่พอใจเพราะเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติ ทันทีเลยจะงบลงก็ผ่านไปผ่านไปก็ง่ายเกินง่ายเกินง่ายที่จะรู้แต่ก็มันง่ายที่จะหลงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงกับนความรู้มีแต่รู้เฉยๆมันหลงก็รู้มันรู้ ก, ก็รู้ไม่เคยรู้จริงๆตรงที่มันหลงเหมือนกับเราลี้ยงมันเก็บเออมันอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้จริงๆเหมือนแม่เรียงลูกอ่อนลูกร้องให้อ แม่ผู้เลี่ยงลูกก็ดูเออาหูฟังท้องเอาแก้มมาสัมผัสกับท้องลูกเอาแก้มมาสัมผัสกับหน้าตาตรงไหนมันร้อนน้าไม่ร้อนน่ะท้องก็ยังดีอยู่นะลองให้แบบนี้ไม่ใช่ปวดท้องแน่นอนลองให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เจ็บ ป, ป่วยดูตัวยังปกติอยู่ข่ายังอุ่นตัวยังอุ่นพอดีพอดีไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปหัวก็พอดี อาจจะเป็นมดละมั่งกัดเปิดถาเปิดไ ป, ปดมาเห็นมดตนอยกัดลูกแม่ก็หยิบมดด อ, อกโอ้ยมั่นใจแน่วแนะน่นี่ทำให้เราลูกเจ็บโอ้ยมันพอใจเอามดตนอยออกจากลูกที่มันกัดลูกพอมดตนอยออกก็ขมิ้นชันเมทาลูกก็หายลงแม่ก็ได้ผลเหรียญตรงนั้นด้วยเรี่ยงลูกหนึ่งคนได้เป็นญาตี ลูกคนที่สองปริญาโทลูกคนที่สามปริญาเอกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะวดเลี้ยงกาเรเลี้ยงโลกเวลาอะไรเกิดขึ้นเอามาให้กูเวลาคนอืน่นร่วมลูกา่าลูกร้องให้แม่ก็เอามาให้กูเอามาให้กูพ่อแม่มาอุ้มลูกก็ดูลูกหัวลูกขาลูกก้นลูกขาเอากินจูน้กยานอมร้องให้มาก็หายร้องนั่นเองไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแม่เลี้ยงโลก ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเันได้อันตัวเราแท้เนี่ยไม่ใช่ลูกนะมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันหลงมันรู้มันก็อยู่กับเราเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ซุกไม่โจนมันโชว์ให้เห็นอยู่ก็ขึ้นมาเลยไม่ใช่สติแลถ้าเรามีสติเป็นเจนแล้ววัดแล้วอะไรบางไม่ใช่สติมันก็รู้ทันทีเอาสติไปดูไปเลยไปสร้างสติต่อไปเรื่อยอย่าไปสอนใหญ่ การที่ประกอบความรู้มันมีพร้อมวัตถุปัจจัยต่างๆสามารถที่หาได้ทุกกรณีในการสร้างความรู้จากตัวนี้ว่าจะเกิดอตัวเบาตัวลอยปีติขนพองสยองเขา้าขนลุกท่วมตัวอะไรก็ตื่นไหนเกันไปเคยเป็นเหมือนกันนั่งอยู่เวลา พระตีแะ้วขังไปฉันเน่ยทั้งๆที่ ต, ตาเห็นอยู่ก็ตื่นตกใจตื่ตนเต้เอา้าวมันอะไรยมาเป็นเนี่ยอะไรอะไรอะไรหรอไปถานเตงก็ไม่ใช่คําถามก็ทำในใจไม่กลมลูจ้ตั ว, ต ว, ตวมันระวังเกินไปมัน ก, ก็ก็ตื่นง่ายก็เลเป็นคนว่องไปจ้ะเหมือนวัวที่มันม้าที่มันพยศไปเลยอะไรก็ตกใจเตรีมมยมคาดเตียมไถเตรเวียนก็ไปได้ ก็เลยต้องขัดไปค่อยไปอย่างสุขขุมพระน์ธรรมนี่ยไม่ใช่ลี้ลับนะไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งมันสัมผัสไปได้เหมือนอะไรที่เขาสอนเรื่องลึกลับเห็นนั่นเห็นนี่ลึกลับไม่เห็นได้ทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันลึกซึ้งเห็นได้ทุกคนที่มันเกิดกับตัวเองเรียกว่าลึกซึ้งคำภีรภาพงดงามทาได้ มันหลงก็รู้ชื่นใจเวลามันหลงเรามีความรู้มันทุกข์ก็รู้ชื่นใจเวลามันทุกข์รู้ทุกตัวนะมันลึกซึ้งคำพิรภาพป้อนโยนไม่ใช่เฉิงเกล้าผู้เจ้าตัดออกมาคำใดดูก่อนดูก่อนเพราะที่สุดเลยดู ก, อนอนกด่อนนะนนกัเลียนมิตรเว้นดีมิตรตีไม่ใช่ ธรมาภาพไปทั้งวมาถึงผลได้ดูก่อ น, นอาโน์ดูก่อนดูก่อนปัญจภิชีดูก่อนพรามลึกซึ่งงดงามความเีรภาพเรานี่ก็ต้องงดงามกับตัวเองอย่าไปแข็งเก้าเกินไปเต่งเขี้ยเ ก, กินไปพอใจไม่พอใจมันแข็งเก้าอย่างเราเขียนไว้ที่ประตูวัตประตูเหล็กเปิดได้ปิดด้วยพอดีใช่ไหม หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อมันตามเขียนไว้เหมือนกันเปิดแล้วปิดทันทีเปิดแล้วปิดทัน ท, เ ท, นทีเด็ดขาดใช่ไหมแล้วก็ปิดจริงๆล่ะไม่เด็ดขาดอนานาที่โุกโตเลยเปิดได้ปิดด้วยไม่เด็ดขาดเลยคนก็เลย่อปิดจัตถีโอทูวัตไม่ปิดจัตทีแต่เมื่ก่อนคนไปพ่อข้าธรามาติซื้อขายจะไปพักที่ไหนไปบ้านนั่นไปพักบ้านญาติของพ่อ บ้านญาติของพ่อคือบ้านไครล่ะเอาวัดกันล่ะเป็นญาติของพ่อ <c oughs> คนพ่อข้าคนไปหาขายติขายของไปซือซ้อวัวซื้อไก่ยอ้ญาติพี่น้องเขไปบ้านไปพักบ้านญาติพ่อคือไปพักที่วันไม่มีอะไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าอะไรแต่ที่บางวัดเขาขึ้นป้ายนะถ้าญาติมาพักที่วันนะ่ะค่าด้าำค่าไฟเอาแล้วสิบบาทยี่ิบบาทนะ้อ ห้ามเขียนเด็ขดขที่จุกุโตเพราะเป็นบ้านของเราเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมีเหมือนกันอันที่มันเกิดอันที่นิมิตไม่มีทุกคนจะไปอยากมีอยากเป็นผลพองสองเก้าตัวลอยขึ้นตัวเบาขึ้นกาละหตาจิตละหตาเบาว่าไปเป็นผู้เบาบางทีไปกระโดดหน้าผาตายก็ไีเหมันกรนะโปร หลังตาไปเห็นไอ้คอนสารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยป่าที่ใดถ้าที่ใดเขาที่ใดชอบชอบเมื่อมองเห็นพวกเขาคิดจากไปไปนั่งยอดเขาสมัยเป็นหน่มนะ้ำตะเกียรตะกายไปเลยไอ้ยอดเขาโอ้น่าจะนั่งดีแท้ตอนนั้นนก็ปรากฏว่ามีผู้ไปนั่งก็ถามชาวบ้านอนะ่ะมีพระตกหน้าผาตายไม่รู้สาเหตุหลังตาก็คิดดูสาเหตุแล้วหนึ่ง พระลบนั่นบอกเบอบอกหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้างอาจจะมีคนที่เสียประโยชน์เอาจับพระโยนลงหน้าผาตายไปก็ได้หรือว่าพระลบนั่นนำทำสมาธิเกิดนิมิตตัวเบาตัวลอยไม่มีน้ำหนักเลยจากหัวจากผู้คนนี่ไปรู้นั่นมันก็พอไปถึงประเดี๋ยว่าจจะหอกไปประเดี๋ยวก็โดดไปก็ตกหน้าผาตายเป็นไปได้ มันเบาตัวเบากายมีเงินกนะันอ่ะบางทีเดินจังกรมเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เหยียบเตียเลยนะเบาไปเป็นผู้เบาโอ้แล้วก็ไหวชุกจนกับเรือนั่นก็มารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอยากไปเป็นผู้เบาจึงเห็นมันรู้สึกตัวกินนั่งรายตัวเองก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวโอ้ถ้าเรามากินข้าวอะไรจะเกิดเพื่อนเราก็มี อา้าเพื่อนอาจจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นวายฉันเข้านะสองวันก็ไม่เห็นสาวันไม่เห็นแล้วไปไหนล่ะเอา้าไม่เห็นไม่บอกไปไหนเวลาเราจะไปไหนต้องบอกกันทําไม่ได้อันนี้ไม่เห็นบอกต้องไปถามหมาวนวายกันพอไปถามหาเราวันเกิดเรื่องกันเราเสียเวลาทําให้เกิดปัญหาแย่เพื่อนถ้าเราไม่ไปฉันเข้าก็มีปัญหาอย่างนี้แน่นอน ถึงเวลาก็ไปฉันว่าให้เพื่อนเห็นหน้าทุกวันก็ยังดีถ้าจะไม่ไปให้เพื่อนเห็นหน้าก็บอกกันะถ้าไม่มาฉันถ้าเกินเจ็ดวันไปดูด้วยวันที่ก็บอกนะเพราะมันไม่หิวจริงๆนะไม่ได้ดอกเจ็ดวันมันต้องตายแล้วไม่กินข้าวเพื่อนก็ไม่ควรที่จะเป็นถึงเจ็ดวันถ้ามาฉันจริงวันหนึ่งก็พอไม่ต้องเจ็ดวันสองวันต้องพอแล้วอะ บางทีก็เพื่อบ้างไม่ใช่เอาตามตัวเองที่มันปรากฏอะไรขึ้นมาไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หลงไปแล้วหลงเป็นผู้ไปทางนั้นแล้วไม่หิวก็เป็นผู้ไม่หิวมันหิวก็เป็นผู้หิวมันหลงไปแล้วพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ปกติปกติได้บางทีมันอาจจะ หน้าเนี่ยเหมือนกับน้ำบริลงมาใจมันชื่นมันกัอมยิ้มไม่อยากจะยิ้มก็ยิ้มในใบหน้าสังเกตุนะมันมีปิติมากทีเดียวมีความสุขมองอะไรนะโอ้ยปิติไปทั้งหมดเลยเสียงมดเสียงมแมลงก็สนุกสนานเสียงสงบก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากมองอะไรดีปิติทุกอย่างลืม หลับเริ่มนอนอิบออกอยิ้มใจตลอดเวลาเพราะเห็นรูปเห็นนามเคยเปิตร์นะมีเหมือนกันก็อย่าไปคล้องแวะกับมันเห็นเนี่ยก็เลยสรุปให้แบบกํคำมือเดียวเพียงจะเห็นมันรูปมันเรียกว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ลาบไปแล้วอะไรที่มันเข้าไปรูปเลยมันลาบไปลาบไปจะเป็นนิวรณธรรมปิติปัจธิจินตยานวิปจัจจานุปกิเลต ท, ทั้งหลายมันจะลาบลงลาบลง อันที่เป็นราคาโทสะโมหะผมโลกกดลงบมดลาบลงไว้ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ปกติมั่นคงเข้าหนาบปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นกับขณะที่เราปฏิบัติถ้าเรามีสติมันจะรู้นะถ้าเราเข้าไปเป็นมันจะไม่ค่อยรู้อะไรมันจะไม่ค่อยได้บทเรียนบทเรียนที่มันเกิดให้เรารู้เรากลายเป็นไม่รู้ไม่ขี้มันเมื่อเราไม่รู้ไม่ขี้ไปสอนคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ขี้ ให้คําตอบไมลไอาจารย์ทั้งามมาก็ให้ไปสัมผัสกับญาติโยมนักปฏิบัติตัวก่อนเพื่อจะเอาข้อมูลที่จากการปฏิบัติของผู้คนแล้วนํามาพูดมาสอนให้บอกต่อกันคนหนึ่งเป็นอีอย่างหนึ่งคนหนึ่ ง, นนงไม่เป็นอย่างหนึ่งมาเป็นคำพูดเดียวกันเราฟังเวลาที่เด็กขณะเดียวกันได้บทเรียนมากมายนการสรุปการอบรมการสอนธรรมะ ในภาคเผยแผ่ของกลุ่มเรานะสายหลวงพ่อเทียนนะจะมีวันร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติการมาเป็นยังไงผู้ที่ทํางานก็มาเล่าให้ฟังผู้ที่ให้ข้อมูลก็บอกเราก็เพียงแต่เราก็บอกว่าถ้าจะให้ได้ผลในการปฏิบัติธรรมนักสอนธรรมะไม่ใช่จํามาพูดแปลข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอ่าเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกิดจากผู้ปฏิบัติที่เรามาสอนวันนี้นั่งอยู่นี่นงมาพูดเรื่องคนนั่งอยู่นี่ให้เขาได้ยินข้อมูลปัจจุบันของเขาคนที่ไม่มีข้อมูลก็จะได้ฟังเขาจะได้รู้ได้บทเรียนเรื่อยไปมันจ ะ, จะเกิดผลเดี๋ยวนี้นักสอนธรรมะเนี่ยคูัใหญ่ๆจำมาอ่านมาบางทีขยายลำพองออกไปในบ้านโน้นคนฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยขึ้นลาพองใหญ่สูงเข้าไปในบ้าน ต้อนวงกหูชาวบ้านเขาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดไปโน้นไม่ได้พูดให้คนนั่งอยู่นี่นั่นก็ไม่ค่อยได้ผลวิธีปฏิบัติธรรมที่ให้ได้ผลคือเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติมาแสดงทุกวันทุกวันนี่หลวงพ่อหลวงตาพูดนี้ก็ได้ข้อมูลจากนี้มาไอ้ใช่ยืนยู่งจะมาพูดเลยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยพอที่จะรู้อย่างทุกๆุกอย่าง ในความผิดความถูกเวลาผู้ปฏิบัติทำจึงเป็นสากุลเป็นสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะสูตรของเจริญสติปัญญาจิตเนี่ยมันเดินสูตรที่สมูลสมุนที่สดลยอยจะยึงต้องฟังดูก่อนอย่าเอาความชอบเอาความไม่ชอบเป็นการตัดสินอย่าไปเชื่อเราคําพูดของเราวันนี้ท่านไม่มีก็อย่าเพิ่งปฏิเสธคำพูดของเราวันนี้ ท, นนนท่านเกิดเป็นแก้ปัหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ทําดูก่อน เอารูอไปดูก่อนรูไปก่อนกลับมาลู่ตัวเองไปก่อนเดี๋ยวเม่อจะได้คําตอบอย่างชัดเจนเองอย่าด่วนรับอย่าด่วนปเสธคือคุณค่าของสติสัมปชัญญะถ้าด่วนรับด่วนปฏิเสธไม่ใช่คุณค่าของสติสัมปชัญญะเลยทีเดียวเราจึงศึกษานี่ให้แยบคลายในการปฏิบัติไม่จะละเอียดไม่จะละเอียดไม่หยาบคลายบางคนปฏิบัติแล้วสิบปี20สปียังหยาบคลายอยู่ ก็หยาบคลายอยู่มันเป็นใช่ให้มันละเอียดก่อนเหมือนหลวงตาสอนพระให้ทำมานกวดบ้านให้ดูสิหลวงอง์ก็กวดบ้าง ก, กวดไม่เป็นไม่ดูทิศทางโลกการระหว่างกวดไปมันทําให้ฝุ่นคุ้มมันก็ตกที่เก่าคือไม่ละเอียดไม่สุขุมไม่รอบครอบก็ไปบอกวิธีกวดว่านนะก็กวดโบราณนะว่ากลางคืนกวดเข้ากลางวันกวดออก โบราณพ่อแม่สอนลูกกองเกินกวดเข้าไปบางทีแม่เย็บเข็มเย็บผ้าจะพังกวดออกเฉยว่ากวดไปไว้ที่ใดทีหนึ่งตอนเจ้ามาไปดูมัเห็นเข็มเข็มเลินเด็กก็เสียดายนะคนโบราณนะตอนตาเคยมีไม่เฉดไปอ่ะเจ็ดแน่ถันเล็กน้อยมันหลุดออกไปก็เสียดายคนทุกวเนี้ไม่เสียดายแลอนะไะทิ่งเช็ดในช่างตีตะปูเนี่ยดัดตะปูไม่เป็นถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้ง แต่ก่อนโอ้ยตะปูตกลงทะเลน่นไปหาเหยียบย่าหาแค่ไหนหลงพ่อกรมตะปูเนาะตีว่ามันหลุดลอยไปหบดไปหามาหาช่วยด้วย <c oughs> ตะปูมันเลนมาต้อง <c oughs> เหยียบย่าหาไม่เห็นตะปูดอกนั่นหลยไม่ยอมหาจนได้ทุกวันในเท่งกวางซื้อมาสองหลังตีได้หลังเดียวเ น, น่าดันทิ่งไปเลยตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดออกการกวดบ้านต้องระหว่างเอาไม้กวดเกินมาอย่าให้มันแหลมกระทบ อาจจะปลียนกันมาปวดไปเอ็ดเนอใจมานละเอียดเอาตาอะไรเขียนไว้เวลาไม่งานล่างแก้วล่างใจด้วยล่างถ้วยล่างใจด้วยล่างชามล่างใจด้วยมันละเอียดอ่อนมันป่านี้มาจากห่นขามาแม่เลี้ยงโลกเวลาให้ลกูกจะนมเยี่ยมให้ลูกดูพูดใบ้เยี่ยมหัวพูดปากเบาปากเาปกเ๊ลูกก็มองหน้าแม่ หน้ามปยิมกับหัดเยิมไปกับแม่ให้มันปลาเนตมันถึงกิตถึงใจมันเป็นการสัมผัสได้ในการสอนตัวเองสอนคนอื่นแอ้จะเราจะช่วยคนตายก็ว่ากันเราต้องแสดงความเอาใจใส่แสดงความรักแสดงไม่ปล่อยให้ว่าเวไม่ทำอะไรที่ทำให้คนป่วยเสียวเสียใจเยี่ยวยากันทางด้านจิตใจ อันนี้เราทํางานก็มันเราทํากับตัวเองก็วันกันบางที่ต้องสุกโขมโลบครอบชำภพลาภาพเห็นความทุกข์จะปฏิเสธความสุขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความรู้จิตตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะละเอียดละเอียดไปมันกวดบ้างก็สะอาดไปเลยไม่ต้องกวดอีกละเอียดมันก็ล้าไปล้าไปบางทีก็พบเดียวได้ควัญโกรธโกรธทีเดียวไปได้เลย เพราันละเอียดความทุกข์ทุกที่เหวไปได้เลยวยที่จุดเลอยวัยกว่าคนที่ไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดความหลงก็ไม่ค่อยสอาดสักทีความทุกข์ไม่สะอาดสักทีความโกรธไม่สอาดสักทีความโลภความหลงความรักความชังไม่สอาดสักทียังค้างคา จ, จิตใจอยู่มันก็ยังไม่เรียบเลยยังมีปุ่นไม่มีสิ่งที่เกาะอยู่เพราะนั้นที่จะถึงมรรคถึงผลมันต้องเรียบนะ ถ้ามรรคผลนิพพานมันเหมือนกับจุกโตดีจะขึ้นมาได้ได้เขาก็ต้องสร้างทางให้เรียบขึ้นมาปราบให้เรียบให้ลาดสักหน่อยไม่ใช่เป็นหน้าผาหากลำผ้าด้วยเขา่าการแบรบัตรธรรมไม่ใจะเอาจเจ้าเจาจังสองวันสามวันหากลำผ้าด้วยเขา่ามันไม่หกกักตกขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้ต้องให้มันเรียบก่อน อันแล้วควาชัวาว่วทำความดีมันก็เหมือนกันเรื่องเรียบมันง่ายง่ายวิธีทำให้เรียบคือสตินี่แหละปราบเลยใบมีดรถแท็กเตอร์ปราบลงไปรูมันลงไปรอบแล้วรอบเล่ารูแล้วรูแล้วมันก็ใช่แล้วเป็นทางไปแล้วรูเท่าไหร่ก็เป็นทางไปเท่านั้นร้อยร้อยอย่างที่มันเกิดขึ้นในเราปฏิบัติเนี่ยสารพัดสารเพมีตัวรูตัวเดียวไปเลย เราจึงสบายมากให้มันผ่านได้ถ้ามาผลได้ผ่านเหนือการเกิดเจตจะตายมต้องเรียบตรงเนี่ยตั้งแต่ต้นนี่ยไปคือรู้ไปรู้ไปรู้แล้วไม่เป็นไม่ให้คนค่าอะไรมันรู้ก็ให้คนค่าความรู้มันไม่รู้ก็ไม่คนค่าความไม่รู้มันสุขก็ไม่คนค่าความสุขหลง่็จะพูดมันอยู่เรื่องเดิมแหลอะอมันทุกข์ก็อย่าให้ค่าเป็นทุกข์มันหลงก็อย่าค่าความหลงให้มหีตัวรู้ มากกว่าเหนือคุณค่าใดๆเลยทีเดีย ว, ยวการปฏิวัติธรรมนการเดินทางในทางนี้ไปจากความชั่วไปสูค่ความดีถึงมรรคผลนิพพานทันทีเลยอย่าทำอะไรเป็นพธิธีเป็นรูปแบบเฉยๆสมัยก่อนแม้แต่แพงกรอบลูกก็ไปนิพพานได้หลวงตาเนี่ยทำหอ ว, วัดธรรม ท, ที่วัดภูกขาวทองว่าจะรวบรวมวัดธรรมต่างๆไปเขียนไว้ติดหั กำลังจะปรึกษาอาจารย์ตุ่มอาจารย์ทรงศีลจะทำัยดีอย่างน้อยก็เพลงกล่อมลูกไปเขียนไว้มีไหมญาติโยมทั้งหลายมีไหมเพลงกล่อมลูกคนเจ็ดสิบปีแปดสิบปีคงมีนะคนสามสิบปีนี่ไม่มีหรอกสมัยนี้มีไหมเนี่ยหลองตานี่นก็เกิดมาในยุคได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูกอยากฟังไหมจะร้องให้ฟังนอนจะรยดา่ารับตาแม่จีก้อง แม่ไปให้หมกไข่มาหาแม่ไปหน้าหมกป่ามาปนแม่ยังหมดโอ้เรืมไปนอนเด้อล่ารับตาแม่เจ้ากองนอนดูผ้าสามว่าแม่เจ้าตํานอนดูใหม่สามป้องพ่อเจ้าสารเงี้บอแม่มไมปให้หมกไข่มาหาแม่ไปล่าหมกป่ามาปน อนเรียงนอนอยู่ในป่าสวนนอนสวนมอนเอ้ยป้องใบเป็นก้านเออผู้อยู่บ้านป้องเปลี่ยนทางเออเออเออเราตาได้ยินนะเรื่องไปทําไรตามด า, นาเนีเสียเงเน่เสียงอะน้องสาวบรรกกรมหลานลูกพี่สาวลูกแม่จุดเนี่ยมันไล่าจากผู้ดับผู้ใหญ่บรรกกรมดังไปทั่วทุ่งเลยอ่าก็เด้ยินก็จำเออเออฝนตกหงจอมพ่นสมาเปียกนาะ วัดธงน้องกวงกวงดินแห่งไงพงเจยยสงสารการดงกว่าทงขี่ข้านแล้วกลางบ้นน า, านกว่าดดงเออแล้วั่ใต้เขาก่บอเออเอออาหาวนาเล่เจ๊กลางทะเลชี่เพลงฝนตกไม่ตองว่าลองไม่ถึงถึงได้ทั้งหมดบาปปุ่นเลยเออเออใช่ไหมอาจารย์พุทธทรรต้นมะพร้าวกลางสะ ไปโดก็ได้มาแพ้วนาริเจแพงกล่องลูกมแพ้วนาริเจการทะเลขี้พึ่งทำไมอยู่การขี้พึ่งต้งาหน้าแพ้วหมายถึงมรรคผลในพานขี้พึ่งคืออะไรดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจความโกรธของโลกของหลงความรักความชังมันเป็นขี้พึ่งมันลอยยากมันดีใจมันสุขบันทุกความสุขเป็นทะเลความทุกข์เป็นทะเล ผู้จะไปถึงได้ต้องหมดบาปบุญเลยความทุกข์เป็นบาปความสุขเป็นบุญถ้ายังมีบุญเป็นบาปยังมีดีใจเสียใจอยู่ก็ไปถึงว่าเผ้ามาได้ไม่ได้จินว่าเ้าหมายถึงมรรคผลในปานเราจึงต้องลาดตั้งแต่เนี้ยลูกจึกตัวไม่เป็นอะไรมันสุขก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันวันลูกเห็นมันมันหลงก็เห็นมันพาผลตกงจอมพ้นจะมาเปียก บาดพัวดองกว่วงกวงเสาบ่อแห่งดินตินแห่งไงผงจอมพลคืออะไรคือผู้มีจิตใจสูงแล้วหลวงตาเทศจากนี้ไม่ง่วงเหงานอนใจมันสูงฟังอยู่เปียกไหมได้เย็นไหมโอ้หวลวงตาบอกว่ามันสุขก็ดูนมันทุกข์ก็เห็นอยากเข้าไปเป็นมั้นเปียกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไปทําแล้วใช่ไหมบาดบึงน้องกว่งกวงก่วงเดินแห่งไงผงจิตใจต่าําำ งวด่อ้คิดคุณนคิดไปถึงโน่นทางนี้ไปมันไม่สูงมันต่ำอยู่ไปรักไปชังใครอารมณ์ข้างมาจากไหนเหมือนน่ะมานพสิบหกคนน่ะไปกราบทนถามปัญหาพระพุทธเจ้าพรมครูอาจารย์ใช่ให้ไปไปโต้ลองดูซิว่าสำนะสากกยวงออกบดเป็นพระพุทธเจ้ามาลูกแค่ไหนให้พวกเธอไปถามปัญหาสิบกข้อเนี่ยข้อละคนไปถามดูซิ ถ้าคำถามนี้ตอบไม่ได้เราก็อย่าไปเคารพน้ำถือมาโนปเจปปุคนนี่เลือกไปมีแต่ยอดยอดปัญญาเท่านั้นไปทวนถามปัญหาพระเจ้าบุคคลที่หนึ่งที่สองมาโนปคนที่หนึ่งที่สองที่สามพระเจ้าเฉลยไปได้หมดบุคคลที่สิบหกพอคาถามที่ทั้งหมดต่อมาแล้วคนที่สิบหกน่ะก็าถามมัหาตอบไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ปัญญาท่านเลียนมากจำไม่ได้น้งงตา ปาบอกวคนที่สิบหกอ่ะไม่บรรลุธรรมเลยทําไมไม่ไรบรรลุธรรมอ่ะมัวคิดถึงลุงลุงเป็นตัอบวชอยู่กับอาจารย์โนนห่วงลุงโอ้อยากให้ลุงมาฟังเดอ้ออยากให้ลุงมาฟังไปเล้ะที่จุดเลยพระที่เจ้าตอบปัญหาเด้คิดถึงลุงเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยมบวชคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นเลยไม่ใสจ่ใจมันเหมือนเผู้หลักผู้ใหญ่แท้ เขาห้วยหนองเนะี่ยหมายถึงแทนที่จะน้ําคงน้ําขังได้เลยไม่ขังสัหน่อยเลยเข้าหัวใจของหัวไปเลยไม่เปียกเลยแห้งอยู่ใช่ไหมแห้งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะใจไปสงสารกลางดงกะวาดทงที่ข้านแล้วกลางบ้านกะวาดดงเออเออเอถ้าใจไปสงสารแล้วไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยไม่กลัวอะไรในชีวิตเราเนี่ย สร้างสติมันง่ายมันจะยากขนาดไหนไม่เอามาอ้างเดี๋ยวก็โอ้ยยังไม่ลูกไม่หลานมีบ้านไม่ช่องไม่พระลป่าดงอันนั้นแม้จะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็สร้างมันลงไปได้ว่าเห็นป่าก็คิดว่าทุ่งไปเลยไม่คิดว่ายากเลยถ้าขี้เกียจขี้คันแล้วอมันง่าง่ายเนี้ยอันตัวรูป ก, กับตัวหลงมันไม่ไม่เหมือนกันทุกข์กับตัวรูปมันก็ไม่เหมือนกันนะ ตัวรู้เป็นของง่ายๆอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่าตัวทุกคก็เป็นของง่ายๆอย่ามองว่าเป็นดงเป็นป่ามันง่ายมันเป็นทุ่งอยู่แล้วเราเรียกว่าดงมันไปยากเลยของยากคิดเป็นของง่ายหรือว่าคนที่จิตใจต่ำนะทาชั่วได้ง่ายทำดีแต่ยากหรือวากลางบ้านแต่แท้ก็นึกว่าทุ่งไปโบราณของลูก ถ้าใครมีอะไรดีๆก็มาบอกด้วยจะไปเขียนว่าจะไปะรวบรวมวัฒธรรมคนโบลาะกันเราไว้ถ้าทํามันหอววัธรรมกันา่าให้คนหลังเดิรู้ว่าโอ้คนโบรางเขาทำ่างนี้เขาเขียนอย่างนี้มีการสอนธรรมะตั้งแต่ก่อมลูกแล้วคูยกันมากนในผานเนี่ยเข้าร้อนโ ล, ลูกแอวเจนเข้าวแม่บอกว่าให้เข้าในผานก่อนนะเข้าในผานก่อน บางทีหัดช่างหัดว่าแต่ช่างมันหมดประโยชน์แลว่าช่างได้นิพานแล้วเย็นแล้วไม่มีพิษไม่ภัแล้วม้าไม่ประโยชน์สอนได้ก็นิพานแล้วเย็นลงแล้วมีคําพูดกับนิพานในทุกๆอย่างที่เป็นความร้อนความปัญหาอันตรายนิพานนั่นคือความเย็นลงจนไม่มีพิษไม่ภัเนี่นะมันจะยากกันาดไหนอ่อนเย็นที่ใยที่ใจเราเดีย มันไปอยู่ตรงไหนเหมือนลักพรามไฟไหม้เมืองลังกาไฟมันเกิดที่ไหนละ่ะอยู่ที่หางอยู่ที่หางฮานุมานฮานุมานต้องวิ่งไปเลยต้องคนดับไฟทั้งมาทั้งเมืงเลยมันดับไม่ยากเพียงแต่บอกขนุมานว่าเอาหางที่ไปลุกอยู่น่ะมาอมุ้มซะมันก็หมดทันทีละคนเราก็กำทำเขียนทั่วบ้านทั่วเมืองไม่อยู่ที่ใดเลยอยู่ที่คนเราเอาบ้านดับมันจ้ะมันเย็นจะเย็นเดี๋ยวนี้ เขาจะอยู่เย็นประจุทุกท่วนหน้าทุกคนนะ